ลุงทพระนครหลวงทำขายผคนก็มปามาเอยเดียวกันเมือ ạ, ph a ph a ừng, ม่อใจสลาดใจพัฒนาธรรมบุญเมื่อใจเ่อใจก็สะสมบางุกขคคุณยะตะอุตโยควางสะสม บุญนำมาซึ่งสุขทุกโหปาปะะัะปะปุทเตโยความสะสมแห่งบาปมันมาซึ่งทำบุญไว้ในภพ ก, ก่อนๆน้วก็มาทำเพิ่มในภพนี้บุญก็ไปบวกบุญ คูณมุลทำบาปไว้ในพวกโกดกแ้วก็มาสร้างพวกนี้ต่อไปอีกเขาเรียวกว่าบาปหลบบาปคูณบาคูณให้คูณให้สูงขึ้นในู่ทีงื่อนใจในสนา้างเงินให้สมานด้ที่คีนมีปัญญามากก็มีแต่ละบาป เป็นเพ่งเรียนเพลนเรียนเมตตาพระพุทธศาสนาเัียนวารประธานเพียนระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในขณะอาหาประธานเพียนระบาดที่เกิดขึ้นในภาวนาประทานเรียนให้ผู้ส่วนเกิดขึ้นในขณาอนุรักษ์ขณะประธาน เพียงนักษาควรที่จตืนแล้วว่าให้เสี่ยงความเพียเสีอยางนี้เพื่ความเพียนเท้าควรประกอบให้มีในตนยึดลงสั้นก็คือเพียนละบาดบนเพียินยึดลงเพียสอง บุญเป็นที่นึานของสัตในโลกนี้ลโลกหน้าและเป็นทั้งทางเข้าสู่พระนิพพานด้วยและเป็นมัร ด, ด้วยและเป็นผลของมักคด้วยคือมิโลบาทเป็นทางบำรุงฝ่ายสมุทัยและทุก และปัญหาเป็นทางบำเรอบำรุงชาวมุทายและปัญหาและทุกให้เจริญขึ้นเป็นอริยสัจในทางที่ลัป่าไม่สงสารสื่อเป็นของจริงในทางที่นัปกนนป่าไม่สงสารสือเพิ่มของจริงในทางที่นัปกป่า พยายามนะคนเราใจถึงทุกท่านจถึงในทางดีก็ได้รับคนดีตามส่วนคนค่าของเหตุที่ทำง่ายทมยากอยู่ในดวงใจถ้าเหตุดีคนดีก็จะอยู่ในริมฝ่าอากาศ ไม่รู้ชาตเป็นที่ชาบขึ้นเมื่อสร้างขึ้นแล้วเฉพ็ะีิเศษให้อันอื่นรับผลก็เป็นไปไมได้รุปพุกเบือขาตาหงษ์สมุนงกายไ็ได้มารับ้ว้ใจเป็นพู้รับรู้ทางนั้น ใจเคยทําอะไรไว้ใจเออเคยเคยทด้ทำดีบ้างหรือไม่ใจก็ต้องตอบใจว่าเคยทําถ้าหากว่าได้ทําถ้าหากว่าไม่ได้ทำํำใจก็ตอบใจว่าไม่ได้ทําใจก็จะโอหกพบกลุมใจประการใดๆก็ย่อโอหกพกกลุ่มมาขึ้นเขาต้องดูอย่างนี้น กายสุามุ่งจับใจคิ น, นรีแล้วพุธาาทธศาสนาหรือไม่ผู้จงถามใจดูเนตไหนจึงยินดนะ่างพุธทธศาสนาเพราะว่าพุธาทธศาสนาสอนให้ละตั้วทางดีโดยดประการท้งปวงพุทธศาสนาอยู่ที่เมืองกายตั้งอยู่ที่เมืองกาย เทศสนาอยู่ที่เมืองกายคนว่าใบเสียวเกลิดคิดมนุษย์ว่าพุทธศาสนาก็ไม่ไน้เทศให้ฟังด้วยผู้ฟังเข้าใจเป็นผู้ฟังผู้จําไว้ข้าใจเป็นผู้จําไว้ผู้จะลงมือปฏิบัติเข้าใจจะผู้ลงมือปฏิบัติผู้อ่านก็คุยใจเป็นผู้อ่าน พวกเขี้ยก็คือใจเป็นพวกเขี้ยมผู้ทำไม้เข้าใจเป็นผู้ัำไว้ก็ได้รับผลเขาใจเป็นผู้ได้รับผลไม่มีอะไรอื่นมาจะแย่งชิงเอาเลยเหตอยู่ที่ไหนผลก็อยู่ที่นั้นในอยู่ที่ใจในทางดีให้ทางชั่วผลก็อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ในที่แห่งอื่น ถ้าบุนบ่อยแจก็สูงขึ้นบ ok ่อยถ้าบาปบ่อยแจก็ต่ำลงบ่อยความเลื่อมล่ำต่ำสูงก็อยู่ที่มันใจที่มันจิตนันใจทุกข์ก็คือใจป็นคือคนทุกข์อคือใจมันคือทุกขะจะปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ก็คือใจมัู้ือปฏิบัติจะคนทุกข์ไปเป็นส่วนวก็คือใจมันคือคนใจ เกิดขึ้นความสงสัยตอนไหนๆก็คือารผู้ที่เดความสงสัยเหตุใจอะไรคือผที่สงสัยผลของใจอนั้นก็นามาโดยความสงสัยเหตุใจอะไรคือเนื่อสงสัยผลของใจอนั้นก็นามาโดยเนืสงสัยนอกจากกายไม่มีอะไรจะสร้างเหตุสร้างผลจนได้ ทำอะไรก็ทำให้ใจอัจฉริอัตโนนาโภตนเป็นตัวทุ่นของคนก็คือใจเป็นพัวทุ่นของใจถ้าเบียดเบียนตนก็คือใจเป็นผู้เบียดเบียนคนอื่นจะมาเบียดเบียนใจไม่ได้ไม่มีประตูและเมื่อทำเนี้ยผมจะแยกเอาเหตุเอาผลจากใจก็ไม่มีประสูจะมาได้ ถ้าหงุดหงิดใจเมื่อที่แจ็คยูนูสิน็นเป็นเพียงผู้ช่วยในตาละกับเจสระพอช่วยได้ถ้าเกละตาละเจสระไมนขอช่วยได้เพราไม่ช่วยเช่นเหนื่อยเกินไปอย่างนี้คิดบอกว่ารุกเถิดรึกเถิดไปเถิดพูดเถิดนันก็พูดไม่ออกถ้ามันเกินกำหนดไปถ้ามัน นี่คนนี่กลางไปเมื่อท่าสี่มีมากสโลมมันก็ต้องฝืนใจเพรมันไปไม่ไหวลบดูคาฮอนเช่นรถถ้าเราข้ามท่าเกินไปมันก็ฝืนผู้นายเชลศีผู้ขับเราบอกว่ามึงไปเถิดมึงไปเถิดมันก็ ไ, ไป เพรนนาะธาตุสีดินน้ำสงบประมาณนี้คนนี้กล้าคิตใจประมาณนกันถ้าบว่ากายเรียกคนเรียการจนเกินไปก็ใช่ตามความประสงค์นม่ได้กต้องตอนนอนตายฝาที่ก็เป็นที่พึ่งของใจโดยเฉีาะพี่น้องใกล้มาช่วยจะช่วยไม่ได้เนี่พี่น้องกายเ อ, อ๋ยจงพากระดิกตัวถือที่นี่ธาตุลมเรียอํานวยกําลัเลงเรียกอํานวยทยี ก็ผลิตตัวไม่ไหวเพื่อลุกเพื่ิดตัวเพื่อพยุงตัวถือก็พยุงไม่ไหวต้องอาศัยทำตัวอื่นอาศัยทำตัวอื่นก็ต้องอาศัยในเวลาที่ให้ภาษาใบเองเต็นกวักมือ รือทำภาษาใบาให้รู้จักถ้าพูดไม่ออกขั้นเจะป่วยลงก็ปรุนาเอาหน้ามาให้ดื่มด้วยกรุนามาช่วยต่อาอาหารให้ทานด้วยกรุนามาพยุงตัวให้ลุกด้วยให้พริกด้วย รุนามาเช็ดปัจจาระปัาวะให้ร้ย้ยนี่ไม่สำคัญก็พูดได้แล้ก็สำคัญตอนที่นอนนั่งนิ่งนี่จะลองพัานาต่อจะ พ, พูดเขาพูดจะออกมาเป็นคำชี้แ้วจะพกมือไปยกไ้เพื่อน สติมีมีอยู่รู้อยู่บางท่านบางท่านไม่รู้เสียเลยรู้เสียได้ให้ทานนักขาชุนภานาปฏิบัติพระพุทธศาสนาถึงแม้จะพูดไปออกพอรู้อยู่มีสติอยู่เหตุนั้นท่านจึงยืนยันว่าผู้บริจาคทานก็ดีเป็นผู้มีศีลก็ดีเป็นผู้มีภาวนาก็ดีเมื่อจะตายคนนั้นไม่หลงตายถึงแม้จะพูดไม่ได้ก็ไม่ตายตาไม่ในหลงตายนิสติและไม่ชันยะอยู่ ่โลกแล้วก็ไปดสืในสวรรค์นะชีวิตก็สืในสวรรค์อย่างต่ำอย่างที่สองสัดาวันอย่างที่สามสัปามีอย่างที่สี่ก็อาณาจัอย่างที่ห้าัตปาาักรนย่าที่สอง อยางที่ราโพละวันอย่างที่สองพาภัยอย่างที่สามพระอนาคามิอย่างที่สีพระรหลนอย่างที่ห้าระปัาเป็นพระปติญาอย่างที่หกระปัจาเป็นพระสมณะพุทธเจ้าไม่ไม่อันใดก็ต้องอันไม่ไปทางทุกขติเลยเพื่อเชื่อบาปเชื่อบุญก็รู้ ก็คือผู้เชื่อเหตุเชื่อผคือผู้เชื่อคำและผลของกันนั่นเองก็คือผู้เชื่อพระพุะทธธรรมวสุงนั่นเองก็คือผู้สร้างวาระมีแก่ข้ามาแล้วนั่นเองก็คือผู้ที่ว่าง่ายสาง่ายนั่นเองก็คือผู้ที่เป็นบันทิตพนั่นเองไา่ใช่ขี้โก้ขี้เก๋ ก็คือเป็นผู้มีวาสนามาแล้วนั่นเองก็คือเป็นผูกที่มีมนุษย์เต็มภูมิมาแล้วนั่นเองเพราะั้าวันจะสูงขึ้นเหมือนดังพระจันทร์ในวันข้างขึ้นมิฉะนั้นแล้วก็ตรงนั้นข้ามเหมือนดังพระจันทร์ในวันข้างแรมพระจันทร์ในวันข้างขึ้นแห่งผุ้สนทวนวุ่นไม่ได้กลับมาแรมอีกเหมือนเดือน มีแต่นับวันจะสว่างจะการใจมนทำได้นับโดยนับผลนับักผลนับทาจำาน่งด้วยศิตและกายวาจาเรื่องถึงว่าพุทธธรรมพระสงมันที่เพิ่มก็เรียกว่าอะไรสร้างบุญแล้วในทางภายใน มีอาใสถานเป็นเครื่องหมายเราเรียกว่ามีพยานด้วยมีพยานในทางทางนธรรมะด้วยมีพยานในทางพระพุทธประสงค์ด้วยมีพยานในทีตละไม่อีกด้วยเหมือนกันมีพยานในทางคประพฤติด้วยคนเราแสดงงามดี รักสุขเหตุ ท, ทุกทุกทุกขร้างถ้าว่าท้าว่าทุกข์แล้วไม่ต้องการเลยแต่เวลาที่จะสร้างเหตุให้าจะสุขมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเหตุละข้อบาปวันเทวนุนนักปราชญ์วันหยับอะไรอันนั้น เป็นของหน้าฝังคนผ่านบรรยัติอะไรเราเป็นประมาทไม่ได้วางที่บาปแค่แค่เขาก็บรรยัติก็เป็นบุญครับวางที่ในทางชิดหมายก็แท้เขาก็บรรยัติเป็นทางเกยครับไม่เมือน ห, หนห้าฝาดนหน้าปาดบรรยัติอะไรไม่เป็นคําแปลของพระพุทธศาสนาเอาพระพุทธศาสนาเป็นแง่นรวมใจเป็นแง่นรวมธรรม มีที่ใจมีข้อเกีตมีบรรทัดมีเครื่องวัดเครื่องตวงมีดิ่งมีระดับน้ำมีข้อเกียรติให้เลยเถิดเป็นผู้รู้จักมีจักผลเติมภูมประลังนี่ตาเป็นผู้รู้จักเหตุ นี่จากมาถึงนี้เป็นเหตุแห่งสุหรือเป็นเหตุแห่งทุกอัตชันะตาเป็นผู้รู้จกผลรู้จากควมสุผลแห่งเหตุอันนี้ความทุกข์แห่งเหตุอันนี้อัตตาชันยตารู้จ็กผนานจนพยายามรับบาปหมดเลยหมดันที่อัตตาชันยะตาชุนคนชุนชนพระพาสมุนกระพันพระาวุนจนพระพาตำหนากก็ไม่ไั้ของพระา การรู้จัการเวลาอันครัวของตนแต่ละวันแต่ละสีุ่คละปโลภันมิตาเป็นผู้ในจากพวกบุคคลในร่วบุคคลพูดจะดําเนินพาไปในทางทั่วมันก็ไม่ตกเสริมให้เกิดเปรตตกไม่ใเขาด้วยตัวนั่งอหาอุบายหยิบเดือนด้วยวิธีต่างรตามวิญญาของเขา เช่นเขาค่วน้นด่เลาอย่างนี้มันก็มีอุบายสินิสัยาผมอตโลกเค่เกหน่งถ้าดื่มเข้าไปเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะผมบาปบุญเขาไม่อธิบายเป็นบจะเพราะอะ้มันจะไม่โพไปหรไม่โปฮ เขาจะใช้ก็โลกก็าคือโลกบาปนั่นเองเราไม่อธิบายโลกทืพยหายนัย่นเองไม่เชิญไปได้่อยเรื่อยเรืนเรน่นหาเขามาด้วยไม่ต้องไปวาสาของผมไม่เคยได้สติเลยครับผมเป็นคนเอาพักมาแล้วไม่เหมือนพวกท่านแล้วก็พูดอย่างนี้มาให้แต่ทศกเรียนเขาบาดนะทิพย์หายนี่ไม่ต้ อ, อ ง, องอพูด เขวนไปนักรรนทฤอสาาอื่นแล้วก็ไปผมนักท้อสาเหงาพุทธมานา น, นีล้วครับฝังลงลึกแล้วถามไม่ออกครับเขนดินนะต้องเสียนสี่มื่น 40, โยศก็เอาลูกระเ บ, บิดประมาณนู้นทำลายเตะแต่ผมฝังลงไงเพราะพระธรรมประสงค์ดีกว่านั้นถามไม่ออกหรกอกเคาัพกูนะเขาจะกวดให้เราเขาก็ไม่ฆ่าเราเพราะไม่มีอิทเพราะไม่มีเพราะมัน ม, ม, มีอิสระที่จะถือพระพุทธศาสนา ศานะหรืออะไระไรตามขานาหรูปของใครพอมันได้ไม่ไม่ใช่การบังคับกันในศานาแล้วก็พูดอย่างนั้นเป็นเชิองอุบายเทศออกเขาด้วยแต่เขาคงไม่พูดล้าพูดอย่างนั้นแต่ผมไม่ได้อวดดีหรอกครับผมพูดตรงไปตรงมาเหมือนแบบคนตันเอง้ก็พูดแบบนั้นครับผมพูดอย่างนี้พูดแบบเหมือนคนตันเอง ไม่พูดเอาแพเอาชนะมันจะปวดหัวมานกออนลงนะพูดเอเอาละจิงนะเหน่อยนะเหนื่อยเหน่อยตัวเหน่อยตัวเป็นโรกร้ายยาวเป็นโรคูไปด้วยเน่าววารีวังโบราณรางทีชาติโบรา เอววัตถุที่นงเป็นการอนุสวรีย์พระภิกษุทีいい่ทำางตัวน้อยที่พมีวัตถุนิสัยตัวที่เป็นตัวกางกับการดูพนันวาตัวกลงนิโตรตุกตัวกลางถ้าพิจารณาว่าจำมิอบตัวโธตัวโยรูโธโรินัสเมตมาเทศกว่ระหนักรู้จิตจิตโบเพราะอภิวาสนาสีที่สายมิจังโมตาปยายนิจารุธรรมาวัตรนรีายโนทุสังฆะกลางลาภิมีอาปาิามีกาะจะมีเปตาลัสังกาตาตเ ระธรรมนุสรังนิรุนนานาโสภายาณยาปิเกวะนาณตังเบตาณัมทายะอีลังติขันติยาปโยยัญจะโคยักขีนาสินาทั้งคำหิสุปฏิติาทีชะตังเบตาญาตะขาณโสปโกปตุโสญาติธรรมเราจะอยังมิพักสิโตเบตาณะปูชาจ a กตาลาลาพลังจักทิพุนธรรนุปัตินาสุเหหิสัญญะโสตังอนัพปังติ สัสดัพพะมังคะระสรรพสัพพะเทระตาแล้ววัตถุชาโนภาเวนะชาตสวดศีลภาวันตุเตสวัสดสัพนะมคะระสรรสัพพะเทระตาชาะธรรมานุภาเวนะชาติสวดีภาวันตุเตสวัสดิสัพะมังคะระสสพะเทระตาชาปะสัางชาโนภาเวนะชาตสวดศีลภาวันตุเตยู่ทุกมีมัยนั้นเถิบรรดาพวกสรัทธามีควัฏฏะนาอันใดในทางที่ชอบ จงสำเร็จตามความประสมของตนของตนอยู่ทุกวันมีประมาณนั the the ้นเถอะเดชคุณพพุทธศาสนาพระธรมศาสตร์คณะสังฆศาสศาสนาพะบุตรเทวราพระอินทรพระกมพระมพรกาลพรโพกประตา์ทั้งสี่จงเป็นขยันและจงให้สาเร็จตามความประสงค์ในทางสิ่ชอบองามาแล้วนั้นอยู่ทุกวันมีประมาณนันเถอะพุทโธตโมสังโภเมสตาสุสสสุสุ สมายใจวิญญาณวิญญาณมีอยู่หลายอย่างวิญญาณห้าทุกทุกโสมนัสโพมนัสโอเบขาเรียกวิญญาณห้าวิญญาณห้านี้ในพระอริธรรมแยกออกเป็นประเภทหนึ่ง่างจามโนวิญญาณในแยกเป็นประเภทน้อยออกไปเป็นกุศลวิบากอักกุศลวิบากเรียกเทวิทวิแกวห้า เรียกว่าทวิปัญจวิญญาเรียกว่าปัญจทวิวิญญาเข้าสู่เข้าข้างในจาพวกอเหิรุกจิตคือจิตอันนี้นใช่เหตุส่วนในพระสูตรรวมข้อคำโนวิญญาณวิญญาณเป็นวิญญาณหกวิญญาณหกคืออะไรวะบ้าหนึ่งจะบผู้วิญญาณวิญญาณทางดวงตาอาศัยลูกวัดเท่าพบกันเกิดความรล้นเลนเรียกอารูปตาอาศัยรูปกระทบกันเกิดความโล้นแล้วอนเราอารมูปอันนี้แค่ว่าจัวกรวิญญาณ เยงกระทบูเกิดความลึซึ้งเรียกวิญญาณกลินกระทบจมูกเกิดความรู้ซึ้งเรีกฐานะวิญญาณรสกระทบลิ้นเกิดความลึกซึ้งเยูาวิญญาณอายกระทบโผฏพพ์เเรียกกายวิญญาณใจกระทบถูกธรรมารมเกิดความลึึ้งเมโนวิญญาวิญญาณหกนี้ถ้าว่าเหล่ยจะไม่หมดก็กายเป็นวิญญาณปฏิสนณฐวิญญาณก็ห พระรหังด้าสู่พระาในผานอะไรดับไปก่อนวิญญาณก็ดับไปก่อนนามรูปก็ดับไปนั่ะนั่นเองดับวิญญาณก่อนนามรูปจึงดับไปนั่ะนั้นเองเพราะไม่ยืนยันว่าวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณตนไม่มีในวิญญาณวิญญาณไม่มีในตนเป็นแต่าำว่าวิญญาณ ไม่สำคัญว่าวิญญาณมีในตนไม่สําคัญว่าตนมีในวิญญาณไม่ได้สําคัญว่าไม่ได้สําคัญว่าวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณมันละสักกายสิทธิไปในตัวแล้วขันท่าขอเบื้องตังไม่สําคัญตัวเป็นขันท่าไม่สําคัญขัาว่าเป็นตัวไม่สําคัญตัวว่ามีในสันทาไม่สําคัญ ว, ว่าขันทามีในตัว ห้าสยี่สรูปเวทนาสัญญาทั้งาสามมามันก็เป็นสักกายะทิฏฐิี่สบนะท่านี่งูานยตาสเริบินึ่บสอราโทีลูทกเนี่ยัดนะับสิเกทีวม ทำเพื่อคนทุกข์ในวัฏฏะท่องสารปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัฏฏะท่องสารไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออาเมธใจสีแต่ว่าจะเล่นไม่ได้อาเมธาจสีก็เป็นเสบียงเพื่อคนทุกข์ในวัฏฏะท่องสาที่ว่าเป็นทัพอัศนาสขณะนิเพศไม่ได้สูญเพียงแค่นั้นปฏิบัติอาใจสิ่งเหล่านี้เพื่อปฏิบัติคนทุกข์ในวันฏะท่องสารไม่ใช่เร่อาหรือวิธการที่ตะเ ตลอดเวล า, า, าตลอดเวลาแค่แย่มโนวิญญาณวิญญาณห้าวิญญาณวิญญาณก็แค่แ่แทนใจบางบารีก็บอกว่ามโนบางบางแหงก็บอกว่ามานัสมนัสมโน ว, วิญญาณเป็นคำภาษามคตแปลออกมาก็เป็นใจ แต่เป็นจิตเป็นใจเป็นจิตจิตก็เป็นธรรมารีวิญญาณก็เป็นธรรมารีกาท้าศาราณาอมีคนลไปเลมันิบอกว่าิฮะการท้าทาราอแล้วมันยว่าเป็นใจก็ว่าเป็นจิตเพาะนั้นํามาแยกวิญญาณคก็วิญญาณูกไม่ร้ายชื่อเล่นล่อนเปนแล้ววิา่ยชื่อใคำแน้น่ไม่ร้ายชื่อแต่มีความหมายเดียวกัน ที่ตั้งหตุดวงใจ่ามหรือ่งใจทุกส่วนก็มีพญาจิตตระ่าเป็นผู้ป ก, กครองว่าของกูของกูของกูของกูเมื่อพญายิตตราลาเข้าใจความหมายการที่ว่าของกูก็ตามสมมติเฉยแต่ไม่ได้พื้นานของข้าวิญญาณข้าเจตนาข้าสัญญาข้าสัญญาความจำ ทั้งฐานข้ า, ยย า, 5, 5. า, าวิญญาณข้าอดีตข้าอนาคตข้าปัจจุบันข้าก็ว่าตามเป็นจริงเสวยแต่ไม่ได้ยืนยันทการควกค้นภายในถ้ า, าไม่ไยืนยันพนักหนึ่งก็หนึ่งเขาขอแตไม่ติดอยู่ในหนึ่งพนับสองเขาสองเขาแต่ไม่ติดอยู่ในสองพระนับรูปเวทนานสัญญาทั้งฐานวิญญาณเข้สองเขานับกลางเขาแต่ไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองหรือเงิ น, นทั้งห้าอดีตอ น, นาครรตปัจจุบันก็ไม่ติดอยู่ด้วย เขาเปาสองคำตัวในที่ใดที่ข ouais. ึ้นแล้วพระหัตถ์เนี่สองคําตัวใย่างนีที่ใดที่สิ้นลูกชนคำงาของเราสําคําตัวจนแกะไม่ออกยืนเดินนั่งนอนท่านก็โอนให้เป็นกิริยาของขันธวบาร์นะเวลาหลวงปู่วันหนึ่งหลวงปู่หลปูมั่นขันธอาหารอยู่ก็มีโยมคนหนึ่งบาดถามและกราบคูณองค์ท่านว่าโยมคนนั้น มันเป็นแม่ทีอายุเก็บสิบมากมากกว่าหลวงปู่มั่งเลยนะแต่ว่อันนั้นหลวงปู่มั่งอายุเก็บสิบหกมาอีกสี่สี่องคข่านพอเข้าสูงไปโยงข่านเป็นอายุ 76, เก็บสเจ็เ็บสิแปดแล้วหลวพ่อหลวงพ่อ อ, พ อ, อะไรกินข้าวอยู่นั่นหลวงปู่มั่งกำลังทานอาหารอยู่ อาหารก็เกินกระทำอะไรกินข้าวอยู่ะอะไรขันข้าวอย่นะแล้วผู้มั่นก็คือขันข้าวนะผมบยกว่าสงขานจนผู้สันอาหารมั่นไว้ได้ขันกองทุกขังขานก็คือกองทุกขันอาหารเพราะมันแก้หิวมันคัยนะครัะมันวันเทาหิวมันไม่ให้อุปทานเป็นผู้ขันคุยนะ ก็าตอบเร็วเหมือนกันโรกอาาจัโรอกอาาคัโรคกวันจันบางท่านก็พู ด, พดว่าก็ผมพ้นแล้วพ้นจากของทุกข์้วงแล้วพระองค์ในระว่างพิบวฟีมาแล้วเออข้าว่าคุณพ้นแล้วผมก็อ น, มมนามรณา คุณค้นด้วยวิธีไหนเล่าให้ผมฟังดูโอเคคืออดีตอนาคตผมไม่ได้ติดอยู่ผมเนื่อาอาศัยอยู่ในปัจจุบันผมเบื่อแล้วอดีตอนาคตเอออันนั้นถูกแล้วแต่ว่าท่านยังค้นดนะ้ยเพราะที่ท่านอยู่ในปัจจุบันก็คือท่านกําลังปฏิบัติเสมาธิสัญญ า, าอยู่ที่ปัจจุบันเป็นท่านเป็นทางท่านดําเนินถูกกุศลแต่ยังไม่ค้น ท่านรวมตัวสิรร่สมาธิปัญญาอย่างที่ปัจจุบันในเป้าอันในอันหนึ่งคือกรรมาฐานที่ตั้งตั้งไว้ท่านตะไรอีมอกอินใจอยู่ในที่นั้นตัวรียกว่าท่านเดินวักถูกแต่ท่านย่งไม่พ้นเอาคืนผู้คนแล้วไม่ติดอยู่ในทัานปัจจุบันอดีตอนาคตด้วยทีนี้ผมจะอธิบายให้ฟังปาตัวเดียวท่านเองอนาคตคือทาองหัวมันอดีตคือทางหางมันปัจจุบันคือ กลางตัวเขามันเนี้ยอ่ะทางหางท่านไม่กินทางหัวท่านก็ไม่กินท่านมากินที่ตรงภูงมันนี่ท่านจะมาฉลาดแกมโกงว่าท่านไม่กินปลาตัวนั้นผมก็ไม่เชื่ออีกแล้วอย่างนี้จะนี่เออยอมแล้วยอมแล้วนะท่านเดินมากถูกอยู่ท่านอาารย์สาวก็ให้คะแนนผมว่าถูกว่าเออเขาให้เะแนนเราถูกผมก็ให้คะแนนเราถูกเหมือนกัน ถูกคือการเดินมัดใส่ทางวัสันทุนเขาเป็นเศษข้อปัจจุบันอยู่พระรหารอะไรจะเป็นเศษข้อปัจจุบันอยู่ถ้าพระรหารจะเปศษข้อปัจจุบันอยู่พระหารก็ต้องไปทุกข์เขาเจงว่ามันจะเสียหายไปพระหารไม่เจงว่าจะเสียหายอะไรไปพระรหารไม่ได้ข้อจิตอยู่ข้ะจิตมันมันถูกหมดแล้วผู้ที่ฝ้อจิต อ, อยู่ก็คือผู้ระวังจิตอยู่เพราะยังไม่โทษ คิดขอพวกเราทํำไมระวังมันมีโทษจริงจริงถ้าคนแล้วจะระวังมันทําไมถ้ามันมีโทษไม่ต้องระวังเราขอบคุณนะฮี่ถ้ามันพ้นจากโทษแต่แล้วจะระวังมันทําไมปัจจุบันฉลังกันคืออยู่ปัจจุบันอดีตนะก็เืออะไรทักก็ไม่เดือดร้อนเพราะก็ไม่สงสัยว่าเราจะทํายังไงติดของเราจริงจะเด่นดวงัวนี้ทักก็ไม่สงสัยเพราะบ่าวพอละ่อแล้วบุญก็สร้างพอแล้ว เนื้อบาปเนื้อบุญไปแล้วท่านก็ไมีสิ่งที่จะกังวลไม่มีสิ ท, สที่จะรับคนหนึ่งถามหลวงปู่มว่าแล้วงพ่อหลวงพ่อจะเดินกลับไปสมาทําไมเออพุทโธของเราหายแล้ว เ, เราเดินหาพุทโธเห็นไหมแล้วหลวงพ่อเห็นเห็อยู่ที่ดวงใจรูปลหลานเ อ, อ๋ยหาไปหามาอยู่ฟ่าค้ายแดนดิน เวลาเห็นก็มาเห็นอยู่ที่ดวงใจนะลูกหลานนะเห็นพุทโธธโมสังโกสังกูจามีอุบายหลวงปู่วถ้าหาก็ให้เอาจากใจถ้าเห็นก็เห็นอยู่ที่ใจนั่นสุดเลยเวลา้าง่ายพุทธธรส่งเป็นเชือกสากลี้ยงกงคึงกันอยู่ที่ใจศีลสมาธิก็เป็นเชือกสามเสี้ยงกงคึงกันอยู่ที่ใจเหมือนกันแต่ว่าศีลอบรมสมาธิหรือสมาที่อบรมศี รืปัญญาอบรมก็แยกแต่จะบรรยัติไม่บรรยัก็ไม่เป็นปัญหาเพราะมันกลมเือกันอยู่ที่กาจนับหนังพขถูกเนื้อถูกกระดูกเหมือนกันเห็นหน้าเขาเห็นตาเห็นจมูกกันเหมือนกันคําว่าเห็นหน้าคืออักษรย่อคําว่าพุทโธก็เป็นอักษรย่อเหมือนกันธรรมโมทัศน์เขาอยู่ด้วยกันแปดมืองศีวษะธรรมะขันก็อยู่ด้วยกันคําว่าดินก็เป็นอักษรย่อดินกับน้ำเขาอยู่ด้วยกันกับไฟกับลมนั่น ถูกไห ม, มธรรมะปฏิสัมพิทาธาให้แก่สารในธรรมเมืม่อเห็นทุกขณนะจิดหนึ่งเขเห็นโลกรอบหนึ่งเลยเพราะโลกทำด้วยละกองทุกนะมื่อเห็นอร จ, จัง ค, ค, ค, ค, ค, ค, คะจ้ิดหนึ่งเขาเห็นโลกรอบหนึ่งเห็นสักสามรอบหนึ่งเห็นเหตุรอบหนึ่งไม่ต่าง แล้วเาไม่สงสัยในโลกต่อไปอีกเขาโลกเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาถูกโลกภายในอัปชิตาโลกโลกภายนอกพัปิตาโลกโลกภายนอกและภายในมีามัยอันเดียวกันถึงขั้เนียเพรียวนและแก่สลายทั้งฐานภายนอกก็เหมือนกันทั้งฐานภายในก็คือร่างกายของเราโลกภายในก็คือร่างกายของเราโลกภายนอกเขาล่างกายและสัตว์อื่น มนุษย์โลกแรแก่โลกคือเราอาศัยอยู่นี้คือโลกและเกิดจะกาวมาพระเจ้ะออสั่งภูมิโลกแรกแก่ดลูกของภูมิจะออกสั่งและอารมณ์ของภมสี่ท่านก็คือสัตว์โลกโลกคือมัขโอกาสโลกโลคือแต่ดินมนุษย์โลกแรกเกิโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ถ้าพระโลกทั้งปวงรวมลงมาในสังขารโลกสังขาราปะมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอันนี้จักรเนทุกอย่างยิ่งอดีตอนาคตเป็นทุกอย่างยิ่ง โรคภายนอกภายในเป็นทุกอย่างยุ่งมีความหมายเดียวกันเมื่อเห็นตามจิตใจอย่างนี้แล้วที่จะเสแสรงหาสุขในใจโลกธามันก็ละอาเลยนี่ถูกไหมนั่นนั่นมันก็ละอามันก็เบือนายมันก็คลายหลงตนไปจีเรเล็กอน้อย มันก็พ on mm ้นจากความหลงของตนเท่านั้นนั่นเด็กๆคู่ควาบลลงลังเลยเราไม่หลงเรไม่ยืนยาวไ่หลงองนี้พ้นจกความหลงไม่ได้คู่ควาบลงกอ้้วตอนี้เราหลงท้ยัม้ว่าตอนนี้เราก็ยังหลงอยู่ไม่หลงชั้นยาวเ็หลงชั้นละเอียดความหลงของพระโสดาบัน ความหลงของพระสกทาคามความหลงของพระอนาคามความหลงของพระกรหั่นนั่นความหลงของพระโสดาบันขึ้นสู่โลกุตระแล้วแต่ว่ายังเหลืออยู่ความหลงของพระสกทาคามความหลงของพระอนาคามเกือบจะทะลุแล้วความหลงของพระกรหั่นทะลุไปแล้วข้ามไปแล้วนั่น เนเข้าความลงหน้าด้วยพระปัญญาานนี้ผม่าเอออันน้มวาทำตาหรืานะเราไม่ได้ลงเราปฏิบัติหลักธรรมเราพิจาแล้วมันามาที่นียไม่ได้ทีี่นิดเด <ian> <ian> <when Q> ียวเลยนะที่แล้วเราถือซือหน้าทาอะไรทุกอย่างนะแต่ัท้ายล้วไม่ได้เรื่องเไม่ได้เข้าจอะไรที่เดียวไม่ได้เข้าเลยบ่นเราินอยจีอเราพยายามไม่ก็อยหลงยหลงอือ โมฮาจิตเตะโมฮาจิตเตไม่อยากหลงในใดมากขึ้นไม่อยากหลงอดีตไม่อยากหลงอนาคตไม่อยากหลงนในปัจจุบันไม่อยากหลงคันในคันห้าไม่อยากหลงในอายตระหกภายในภายนอกกาม่ถูกวิื่ยใจใจปัญจการนิบาศก็ว่าคันห้าชักต้านิบาศก็ว่าหกติก๊กนิบาศก็ว่าสามตายวาใจใจเอกซ์นิบาศก็ว่าหนึ่งใจครั่ลนะนะลงมา ยน ity, no ่นมาเป็นเลสการณีบาสละย่นลงมาเป็นติการณีบาสหรือทุกการณีบาสเขากายกับใจทิสการณีบาสเขากายวาใจใจเจตุการณิบาสก็ภาพสิวินาคอยลงหรืออริยสัจสปัจจการณิบาสก็คือรูปเวทนาทํามาทัิศาลยินญาชักการณีบาสก็คือตาหงษจมูกลิ้นกายใจตาหงษ์จมูกลิ้นกายใจย่นลงมาเป็นสองตาหงษ์จมูกลิ้นกายย่นลงมาเป็นรูปขันใจย่นลงมาเป็นนามขัน เจอฉันยานคน่าายนั้นน่าตัดออาตรงนี้ดีดีดีดีมันมีโอาสมัจ่งจัดมานกไนี่นี่บอจะนเพเป็นโรคไม่ได้พาชีออกปฏิบัตินั่งระยะปฏิบัติปฏิ ทำใจไหวเพื่อคบนบุญทำไหวเพื so so so ่อเงใจทำใจไหวเพื่อเชพื่อพระบบุญพระพุทธเจ้ารมผสมดูในเมื่อนิยมใจหมอดีหมอดใจให้พระพุทธเจ้ารสมปกคองิใจมีพระพุทธเจ้ามสมปกคองิใจี่บา มีปพระพุทธพระธรรมพระสงค์ปลุกข้องแต่จิตใจที่ไปสวรรค์นี่พลาดหาทผีปลกข้องนั่นเป็นจิตใจให้ยีปลกข้องน่นทองเที้ยวนาวาตตรสงสารอยน่านแต่ให้พระพุทธพระธรรมพระสงค์ปลุกข้องเหรอมันไปสูพันิุ์พานง่ายหัอบานหมอเมื่อยให้พระพุทธระธารมพระสงค์ จะปรหงใหมอบด้วยที่ยวใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขี่รถเงารถหยับยำชนหน้าค่ายระใส่ถุงมาพมีประมานเรื่องไดเรื่องไดสวีดีสะกดละกายสะกดละวายาจสะกดลใจหมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ุมือพมีประมานเรื่องไดเรื่องด้กีดีเป็นสัจจาปรมีสัมปันโนเป็นอธิฐานาปรมีสัมปันโน เป็นคัมีรปรามีสัมปะโนเป็นธรรมะปรามีสัมปะโนเป็นนิพพานปรามีสัมปะโนเพื่อพันนิรพานวาในหนอเลยบิร่องทั้งเดียวว่าด้เบือนร่องเล่าอย่างพลันว่างเรื่องเอาใบเซตหนอก็ระพุทธธรรมพระสงค์ทุกเืองทัวเรือทุกบเทพบุชาพระพุทธธรมะสงฆ์ทกเือเลยแม้สักคนครับ ไ pues mm hmm. ายใสกุ nah ละว่าจางใสกุลละใจรถเบียวรถเกียร์ำชวนบ้าข้าตมกใส่สกุลละกาว่าจาใจข่าวไปเจ้าทุกขนทุกแขงทุกวินิางทุกเงามีป <Yes. S 2> ระมาณสาจเถ่าเขาทูคนิพานมลอากทุกนวัตตาสงสารรวยดวนอยู่ทุกเงามีประมาณกว่าขาดเท่นเนี่ยหมอบ้องสวมิอ่อนซอนควกขบกายไ่ขบะไก่ผีไผ่ขบะมาหาอืมจบ้า วบวหัวมังบุหัวังิดถิมานาไวไ่าคุณพระธาผสมสีรถเนี่ยวร้วคุณมาคุยพระธาผสมบ่มีประมานเล็ดหินเม็ดไส้เม็ดทองมหาสมุทรนีประมานเม็แบบเม็ดลมเมลกเมกับีประวันเมแต่ตรสชาติแต่เมีประวานคุณเอาุพระธาตุผสมบ่มีประวานคุณพ่อคุณแม่รวมล่องหันคุณกู้บายจ่าก็รวบลองหคุณท่านคุณสิ่มคุณพ่อหน้าก็รวมล่องั โยกขนซูขุนพันธ์นผ่านโรดเป็นเมื่อขืนพุนโรดันเดียวอหไรรูๆๆขืนขุนโรดคืนหนไในร่วงที่ตาบวกับหลังยึดใจเท่าไหลขืนซูพุนพระท่าระสมบอกว่าจะกับหลังเด้เสียเต้มชิดที่ไปท่ามชิดเนื้อน้องนี้กำลังมันขึ้นหรือวรู้ตัวยึดต่เข้าห้ากสิสามารถท่าี่ไปแมพระุธพระท่ามผสมตงเงาตรงนี้ประมาณเป็นเมือข้นพพุธพระท่านมตรงเงาตรนี้ประมาณนัก อมาใส่วางแล้วพ้อมหน้าพุทโทพุท้โต้ผู้โต้ามาเกิดผูโท้ามาแกพุู้โต้พามาเจ็บพู้โต้พามาตายผู้โต้ภาเข่าคู่พันธุภาคมู่มาเกิดแก่เจ็บตายในวัดตาสงสาดีสนกฏผู้โตนั่งเจ้าห่เบิ้ลหนุ่มห้อยห้อยเบิ้ลหนุ้อยห้อยน้ำมันใส่นำมันใส่นะ น้ำมันใจขั้นทั้งเชี่ยวมายชี้ทางมาบ่ต้องน้องไขว่หนาวกว่านี้วะโบนะโบค่ะก็สีเริ่มมือนี่อยากโลมโลมอะไรตอนเดี๋ยวปั้นถังรองนี่ก็เริ่มมือนี่แหละกับผมมันเพร่ะเขาล้มมือนี่หนูว่าเนี๋ยวเรื่องนี้พระเจ้าอวยอันวดลมขุ่มโลมแสงบนที่อื่นไม่ใช่พ้ทางมาไปมาวัดลมขุ่มอะไะ ต้องคุมที่อาจารย์โมซังโก้พูดกันทุทธบเป็นอัคคันเหาะทำโมสังโก้เปนท้าบัวเข้าจากว่าก็ได้เพว่ากได้พราเป็นอัคคันเคือห้เนนาคเล่นตากันเห่นดังค่ พูโทโธก็นกันเพระ่โธปโมตั้งกู้ก็มนกันต้องนังถึงเงินถืกระดูกก็เือนกันว่าอักษรออหลือดอกหล่คนมีพุโทโธเนี่ใจมีสําโมตเนี่ยใจมีตั้งโู้เนใ่ใ จ, ท, ท, ใใจท่านีนพ่อหน้าเปลยนไปเองอพระพทธคผ่านเป็นไปเองเขาให้กำใช้เนี่ยพระพุทธคผสมเยอะชื่อเ ม, มื่อกี้พระพุทธไปเองมัน ผมมาเสือพระพุทธพรมพระสงฆ์เราชื่อว่าอมาป่วยมาตกติดปั๊บโรยคือข้าวเสือเมื่นตาเนี่ยเมื่กาผู้เห็นฮวงข้าวเสือเมื่นตาผูเห็นฮงตัวที่สว่างคนพระพุวธพระธรรมพระสงค์เป็นคนต่างบาลีแค่ขามาเลวเออเหมือนคนยังตำเลยมาอาจัยอะไรพวกเนี่ย นี่นานที่ติด เ, เขาสู้ว่าผลไม่พ้าดขนาดมันมันติดทั้ ง, งแหลไปทั้งอืนนนนนง่นมืนอใหญ่บริเวณกตามือต้องพูดตัวอะไรแต่ยุทธภอยากยากผีขึ้นมาก แ้นคือสมุทรพุทธเจ้าหัวสมุหมดไปเลหายไปเลยนอดด้วยริมันมันมันยากสมุทรพุทธเจ้างานกลมถ้าไปก็บ่ายเ้าตัวหาเลย่นยาววายิตกระได้เคนยาายิโตกระได้เลยนยาวพยุ่งตัวไว้วายจิเท่ากระไดเลยม่นัี่นว่านหัวสมุทรพุทเจาหนักกะไดเมเห็นเ่น แขงดีง ก, กันอพ่มบอกพ่อมนึงมแจ้งนีกเพิ่นพ่อมบ้ารองพระองค์เจ้าว่ากาพ่อมอ๋อฮะตัวตัวไปโยเสะห้าก็าเห็นวัดตัวทีไปโยมหาสมุทรที่นีเสะห้าก็าตามเห็ัดซี่ส่เ่าบานี่ห้าที่สห เ้าใจโตฮะว่างโตใชหมเห็นบ้าเห็นไหวพุมฮะใครก็บอเห็นใครก็บอเห็นพระเชษฐาเอยไปเชื่อใคน้อยผู้ขายเห็นเนยไปยังน้อยการเงาหัวโตยูนีเรี่กแต่คนร้ายนั่นคักว้ไปเชือต่อาเจ้าหับหสืออนมีดาดืนพเสี รสเย็นดีนะมนเย็นดีนะมันัดสารพูทจริงเดียวน้าวสารสารพูทธ่ขดข้าวพเจ้าโอมไหมก็มาสอนอันเดียวกับบัดบัดจะสอนอนอ่านบัดจะชิหนีชิ้นเด่นกันด้วยพ้าวพุทธเจ้าจีมากันมากว่าร้อยกรดอาสงไข้อางไข้อาสงไขหมด รวงไปเรียก่าอคาชใค่มากอีกค า, า ช, ชรครู้เจ้าถึงน น, น่นังมากกระไรนันนี่สามวสาวการเขาเงินเรื่องอะไรต่อไนับไ่ไหวอี ก, ะกอะลกสกรอาเนบ่นั่นนี่นูมไปมรหกับไ่ไหวอีกั่งถ้า ข, ของใครองมัน สมลหกคือต้องมลงหกพวสวนยิ่พานคือสอนยิพาน่อย่านทางม่แ้วันจะคือพูดคไว้ต้องพึ่งเพิ่มก็คือคือเกียร์สอนดับไม่ไว้ท่าของใรไม่มันก็ว่าประาที่ประเทศไทมันคือกันแม้วันนักพิ่มเพิ่มมันก็ว่าประาทที่ประเทศไทมันคือกันว่ามันกว่าคนมันมอกหลักไปที่กน แม้ว่านค้นมูมากลากไปก็ะลากไปห้ามูห้าพู่ได้ก็มีมูมัดะองน่มูทั้งดีมูทั้งชั่วเขางอเขาขนหงอนี่มันหลายขนหงอมนหลายเขาห่ไม่หน่อยพู้ศึาหาคุดเสี่ยงเขาหงอซะนนอกกนั้นเป็นขนหงอมัดในสัตวเจ้าพู้ที่เจ้าเขาข้อจะองอื ep, ่นมาันมากผู้ที่เจ้าเขาข้มาห่างๆอย่างมาก เอาได้มาหลายุคตะโกต่างลานเลยล่ะแต่วยังยัอยู่ได้พ่อเขางัวนอย่างเดียแล้วส่งคนง่วบว่าได้ฝากไว้เจ้าพระเจ้าองค์อื่นไปอีกนกนูปูผีมดมุ่นนั่งเมาสนซัาบซัดบล็อกซัดได้ยินดินไดอากาศมันจะไปพันิพานธมัดจะมาหันวามีคิ้วพวกที่มีคิ้วแล้วคือมนุษย์มนุษย์ที่มีศีหาประจนี่คิ้วแล้วนะที่เขาสู่พันธุ์พันไม่ พวกมีเส้นหาประจำโบดังบ่อยพวกเรีนเลี้ยงเนลาเรีนมัดเรีนเบอรก็ไม่คิ้วแล้วพวกพวกเรียนเลี้ยงเรียนมันจะียเบอร์วัดไม่คิ้วแล้ว่บุย่งบุญรบไม่คิ้ววัดไม่คิ้วแล้วเพิ่นแต่เศร้าใช่ฉนคืม่คิ้วเศ่้าลราก็ไม่คิ้วละมีคิ้วของทูนพันยังไงครับว่าเศร้าว่าไม่คิ้วหอกใี่ม เป็นน้ำไาลาวล้นเป็น้นไหลไก่ไอเรียนมเรีนน ย, ยนเบอร์ไว้ข้าวเจีน้องข่อยเด้อข้าวเจีน้อข่อยเด้อมีเคี่ยวพวกไงมันไ ก, <S <S นไกเเดีมันไก่ข้าวเทบแมันใก่กับมันเ้านี่นะโย่มันไกลจะเทียบแต่ได้ะก็คือขอวัดขอวัดท้งหลายนี่ยหลวงปู่เทียบเพเทียบแต่เพง โอ้ฮขอว่าเรื่องเฮ็ดซ้ำนีอ่ากาเฮ็ดซ้นีเฮ็ดแท้ดีก็นี่ก็ไไรวันอันเดียวกันนั่นแหละแล้วขันมันไม่ใกล้หรือเฮ็ดแต่ใกล้ก็ดีกระไรจังว่าไหมสิห้องเฮ็ดพวกเฮ็ดเอาเฮ็ดซ้ำนั่นเนี่ยล็อกปูผู้การมันเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจมากสามปีนี่แหะทีนี้กริ่รีนคนแก่พรเจ้ารักษาอย่าง แล้วผู้ค้าเนู่บยาวมังมือนัล้วนะมง่นหาช่องมื่สองช่องสาม่องเนี่ยแล้วแล้วปูแ้วสั่งส้เส้นยาไดบ้อสั่งเส้ยาวบ้ไใดบ้ปัวเลยวะสั่นไมดีเลยวตายเรื่อยกวน้อยวะสั่เมื่อไม่ปี๊้าวันจะเส้นอะไรแล้วสั่งมีความจาเป็นปานี้แล้ปูกัเสาไอะไรแล้ววาจะเกี่บวยความจเป็นปานี้วะั่ ไม่ถึงไนเท่าไรย่อมบอบายกระฟ้าก็ได้อีกตัวหรู้โมติมาเปลี่ยนใช่ไหมสำนาสิออกมาขึ้นเท้าขันนครับตบบบายกระฟ้าที่เท้าเราคือนดังเลยบอบายกระ้าก็คือเท้าอตัวเทาเล็กระฟ้ากนดังเลบ่เล่นมันมึงเล้วอีตัวยัก์ชนะมันงลยยาสระเล่นมันยักชนะคิดค้าไหนะมัน เดูวาะีเยเะวนีมาเจียวแล้วใ่ไเียวแล้วมเจียวแล้วาเจียวแล้วครับอไปบงยันที่ตาขึเดียวบ้องยนที่มาเดีบ้องกล้องนะครับโอ้้องอ ลงปูหันมามาหันยายอบเบิ้งนั่นนะครับปูยังเบิ้งเบิ้งครับนั่นแหละครับเลือดท่านครับท่ครับือนไหลท่านท่าคบอกปูเลื่อนเดียวบงกล้องครับแต่ว่าลงปูเลื่อนเดียวปูเลื่อนวันน้ำกาแฟว่าฟังใจผู้เทศก็เอาใจเทศผู้ฟังเทศก็เอาใจเป็นผู้ฟัง ยกล่องผู้ศรีปฏิวัติกับแม่นใจผู้ศรีวัตปฏิวัติกับแม่นใจบุญทั้งหลายเห็นแน่ปุกอายุใจบาปทั้งหลายเห็นแน่ปุกอายุใจคําที่มาโนพุดพั่งลงมาใป็นคำที่เดียวคำที่ศิลใช้กระตางหยดลงมาเป็นคาที่ใจมโนพุดพั่งขม่าขมาวโนเชิสาวมโนมายาทั้ ง, โนโน ท, งทั้งหลายนี่ใจเป็นไงนี่ใจเป็นโนนะ ถ้าทบากับวิจัยเป็นข้อหนาที่้าบุญกับวิจารเป็นข้อหนะผู้เสียรับผลเพราบาปเพราะบุญหน่อยข้านาได้รับบนผู้อื่นเสียรับเหตุยังก็เหตุแใจแต่เมื่อหงจับก็เหตุใทงใจแล้วึ่งเชื่อมตัวก็วเหตุใจนอกจากใจเขมไดที่เหตตัวตได้นอกจากใจขาไม่ได้ที่บหดีเตได้ห่ว่าเหตุอะไก็มาเป็นที่เพิงห้องใจบาปเพาเห็แล้วเพะอยากเพิงใจเเพิงถ้าขาบแรบเพะอยากเคิหอดห้องใจเอ <Mr>. Billion, hey. ข้าเขาหมว่าอยากเพิงเย็นมันใกิได้เย็นข้าหอมผ้าว่าอยากเพิงมอุ่นมันก็ได้อุ่นห้าวกินขาวเ่าอยากเพิงอิ่มมันกิดได้อิ่มขาวรับตาเมื่ออยากเพิงมเมื่อมันก็ได้มื่อข้าเมื่อนตาเมื่าอยากเพิงเห็นหูมันเกิดเห็นหงนั่นเทใส่ข้าวม็ดแต่หงข้าก็เฮ็ดใส่ข้าซึ่งได้สเฮ็ดใส่ข้าวมาแล้วข้ากเขางได้เลือกเฮ็ดแต่อันมันดีอัดมันชัวข้าวเขาจว่าได้เฮ็ดคู่เพี่อนท้องหน้าข้าวพุทธศาสนาสามีสร้าง มี่สีท้างเพียงระบาดไม่ให้เกิดขึ้นในสนดาลเพี้ยงระบาทจะเกิดขึ้นแล้วเพียงกุศลให้เกิดขึ้นในสันดาลเพี้ยนนักษากุศลจะเกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมเยื่นความเพี้ยงลงมาเป็นสองเพี้ยนระบาดบำเพ็ญบุญนั่นีทานละไมยศีละไม้เป็นต้นทนละไม้บรรลเฉลียด้วยการบริจาคทานศีละไม้บรรลุเฉลี่ยด้วยการรักษาศีลภาวนาไม้บรรลุเฉ็จ่ยด้วยการเจริญภาวนาอจายะลไมบุเฉลีด้วยการประพฤติขนแก่ผู เวลายาวัจหมายบุญเฉลี่ย ด, ด้วยความช่วยกดขวายในกิจที่ชอบวัฏิทานะหมายบุญเฉลี่ยด้วยการให้ส่วนบุญคือทาําบุญแล้วอุทิศให้ท่านผู้รองรับไปเรียกว่ า, า, าวัฏิทานะหมาัจจานโมทนาหมายบุญเฉเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญเห็นท่านทําบุญแล้วเราก็อนุโมทนาด้วยก็เรียกว่าปัตจานโมทนาอณโมทนาอณโมทนาด้วยอามิสหรืออนุโมทนาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่เกิดไม่มีาอามิสก็เรียกว่าอนุโมทนามือนกัน ธรรมตสอนว่ามือเสวยด้วยการฟังธรรมฟังธรรมอยู่เีางนี้ก็เป็นบุญอันหนึ่งธรรมะเชสนามัายมสอเสวยด้ยการสแสดงธรรมอิทุสุกรรมการทำความเห็นให้ตรงทางความเห็นให้ตรงคือเห็นว่าบาปมีบุญบีมักขนิพานมีคุณพ่อคุณแม่มีคุณธรรมชินภาวนามีมักขนิพานมีก็เรียกว่าทำความเห็นให้ตรงเห็นว่าเกิดขึ้นมาเนี่มาแล้วแก่ควรแก่สลายก็เรียกว่า ทำความเห็นแน่ตรงเหมือนกันเห็นโลกรอบหนึ่งเห็นอันนี้จังรอบหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งก็เรียกว่าทำความเห็นแน่ตรงเหมือนกันเห็นว่าในวัดกลางทังสารรงมองค์ในเรื่องกองทุกก็เรียกว่าทำความเห็นไม่ตรงเหมือนกันเห็นว่าพระในความเป็นที่ระงับสังขารและกิเลสและวองทุกอันนี้เขาเรียกว่าทําความเห็นแน่ตรงเหมือนกันเข้าเกิดมามาพบสนามแก่สนามเก็บสนามต า, าย ชนะ โ, โ, โลกชนะโกชนะหลงทองเที่ยวมาในวัดตาสงสารนี้ด้านแล้วท่า น, า น, านาี่ก็ไปหนึ่งจากเคสจากลาบจากเที่ยวลิร้างเช็สลาบจึงไเหนืมาเขามาหาพระพุทธศาสนามาให้ท่านรักษาสิงห์พหน้ า, าเพื่อไปพระนิพพาน่ไว้ในวั่ในวัดตาสงสารพวบยินดีในพระนิพพานขณะจิตหนึ่งเนื่องดีกว่าควมยินดีไม่วัาตาสงสารเหนือด้านหลังคณะจิตหนึ่ให้ท่านรักษาสิงห์พ่หน้าเพื่อไปพระนิพพาน ดีก็ให้ท่านรักสินรักษาสินพ่อหน้าเพื่อจะไปเร็กดีฟ้ไาได้วัดได้เบือได้ไวบกไดเบี่ย ع. อ น, นั้นเป็นล่ามกพื่อพัถนาล่ามกมาบ่ถือบ่าเ่มาเกิดแก่เก็บตายอีกให้ทานักษาสินท่าน่อยคอยกายท่าง้ายคลอยเว้นเนี่นมเกิดแก่เก็บตายในวาระทงสารอีกนั่นคู่ขาถือท่านหน่อยคอยกายท่านร้ายคอยเว้นไอพี่เจานาสั่มันจะค่อยคูงจะค่อยสูงขึ้นเหมนพี่จ้าหน้าไม่วาระทศวรรหนึ่ง อย่างไเมียผู้สู้รูปหหูย่างสู้ผู้ดีอย่างไรวัตถุสมบัติเนของหล้ยหลายสิมันก็ได้เจ้ดอกแต่ว่าม่เหอนท่องเที่ยวในวัตาสองสามนั่นเห็นไพยในวัตาสองสามยาสักทีมันก็รับเพิ่มในวัตาสองสานังสักที่เอ้ววาว่าครับบุญแต่ละอย่างแตย่งนี่ทรงต่อพนันธุ์ผานเลยท่ถ้าละไมศีละไมต่างมามาแล้วเนี่บุญกิริยาวัตถุศีอ ย, ยางกิริยาที่ถาบุญไม่ไมีหลายอย่าง วัตถุที่สมบูรณคือวัตถุของกายของว่าจ่าของใจนี่แหละกระทู้ก็แปลว่ากระทู้กายกระทู้ใจกระทู้ว่าจ่ารูปทรรมโฉมกิจวัณณีปฏิยุทธันอื่นนะโมกิจวัณณีนะโมกายนะโมว่าจานะโมใจพอใจเป็นผู้เข้ารพผู้น้อมไว้ว่าจ่ากับเป็นผู้เพีงว่าตายกับเป็นผู้นบถึงเดี๋ยวนะโมกายนะโมว่าจ่านะโมใจ ผ้าชิดก็เรียกว่าผ้าชิดกายผ้าชิดกายภ้าชิดว่าจผ้าชิดใจผ้าชิดกวดผ้าชิดขึ้นนวกระทู่ขึ้นกับเป็นกายหวใจใจเป็นผู้สา่งก็ดีแต่ว่าเป็นหนึ่งกับมิติใจอันเดียวแต่ว่าเป็นสามกักายไหวใจใจแต่ว่าเป็นสีกับภาคีดีหน้าควายร่มแต่ว่าเป็นหากับูกเลี้ข้างหน้าข้าง้ขางขาย่มแต่ว่าเป็นหกกับตาหูจมูกเลี้ยงกายใจมีพวอยากว่าร้ายนี่ว่าน่อยแต่ว่าที่ใจแ่ันเดียวแ่หันเนี่ยจะให้เขาาใจง่ายว่ะ เพราะหลายมันก็หลายออกไปจากใจเด้่หน้อยก็นอยมาหาใจเนีถ้าทินับทั้งล่างทั้งโกดทั้งตื่ทั้งิวทั้งอะไรจะนับออกไปทางหนึ่งนี่าที่ยนลงมากยนลงมาหาึอันนี้ยนทั้งบาปบุญทั้งหลายลงมาหาคิดทังใจแล้ววนคนตายแตเท็จว่าเปลนเเท็บาปเท็บุญนอะไรของวิญญาณมายโยหันันเทไจใจจะของเท็จใอใจอัตโมัตโนนาโตเป็นเพื่อของตนใจเป็นเรื่อของใจธเป็นเื่อของทรรก็มีความหมายอันเดียวกันนั่นและันเ่อ พ่อรู้ดีโยวาวัตตาสงสารนี่เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยความเกิดเต็มไปด้วยความแก่เต็มไปด้วยความเจ็บเต็มไปด้วยความตายเต็มไปด้วยความทีอกผัดผากเต็มไปด้วยความปรารถนาอะได้สมหวังจึงมโนนี้มันมาเต็มอยู่คิดอยู่ใจเฮาคอยิดใจเฮาเป็นผู้รู้จักภาพโพธิทุกสิ่งทุกอย่างเห็นเมื่อเป็นเรื่องสัน้น แล้วก็วมีหนทางอันไก็มีหนทางแต่เอาพอพูดพระอทประสงค์สองลงในใจใหาเลิกก็แผ่นดินหนาสองแสนสี่มื่นโยดพุนแผ่นดินหนาสองแสนสี่มื่นโยดลูกระเบิดปรมาณูเขาทำลายแตกยุกคข้นผู้ถึงพอพูดพระอทประสงค์แล้วซึ่งเป็นอาจารย์และสัทธาสัทธาบระบอกเวก สัทธาในโลกอุตละสัทธาเชื่อมันใด้คุณพระพุธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นคั่มที่คั่สร้างสอนของสัตว์ทั้งหลายเป็นนิญ่านีิกระทำนําสัตว์ออกจากวัตทุก์ทั้งปวงนิ่ทานวัตดศีลวัดพระวนาวัดเป็นต้นท่านวัตดศีลวัดพระวนาวัดของเฮาเต็มตื่นแล้วยุดไม้ไปลายทางของเฮาก็จะเข่าสูพระในพาน เดี๋วนี้ท่านวัดศีลวัดพ่อวนาวัดของเฮายังบก ค, ค้องรูเฮาจึงเดีมาท่องเที่ยวในวัดจ้าสงสารเพื่อสั่งขอใช้ในคิตในใจในมโนกุพพังของเฮาขันท่านวัดศีลวัดพ่อวนาวัดแ ก, ก่ก้าเขามาในจิดในใจเฮาถลายยึดใจเฮาก็นับวันจักรสนะคว่มหลงจักรสนะคว่มพืน้นในวัดจ้าสงสารไป นักว่าท่านวัดศรีลวัดภาวนาวัดของเฮายังไม่ท่านเต็มเที่ยงไหนเฮาก็มีนาที่สี่สามไปตะพื้นตะพื้อผู้ไปหอดไหวที่สุดก็คือหอดในชาสตร์นี้ผู้ขันที่สองก็คือพระศราเมิตไตผู้ขันที่สามที่สีที่หาที่เข้าที่ร้อยที่หมื่นที่โกดที่ลานที่ตืดติวซสลียวติวกับพระพุทธเจ้าองค์หลังเป็นลาดับไปอืม เดียววันนัะมันจังไหนก็ต้องไปบันเดียวกันมดคิดว่าแต่ประกไปหลังเท่านั้ น, นไปพระนิพานเนเออพวกที่ไปพระนิพานแล้วน่ะมากว่าเม็ดหินเม็ดทรายในยทองมหาสมุทรซีมหาสมุทรคู่เกียมตัวจักไปก็เหมือนกันเออผู้ไปแล้วก็เหมือนกันดอกบัวซีเราเราที่อยู่ใต้น้ําก็ตอกไปที่หลัง ก็ต้องบานที่หลังดีว่ดีบ่าบานเพราะเป็นพักษาแห้งป่าและเตาดอกที่เสมอหนะ้าก็มีวันจักบานดอกเป็นตูมดอกที่บานแล้กวก็าบานเต็มพู่มดอกบัวว่ า, วามีแน่แต่ขังพุทธการเดีย๋ยวนี้ก็มีอยู่น้าหัวข้อน่ะดอกบวัวกอดเดียว ดอกบัวก่อเดียวหนึ่งไม้ขั้วมาคนอยู่ในโลกแต่ละดอกไม้ขัวมาแต่ละไล่ของบุคคลดอกบานกระดานเต็มพุ่มคือผู้มาอาจารย์ผู้พ้นพ้นไปแล้วดอกตูมกระตูมเต็มพุ่มคือผู้ตะเกียบตะกายอยากรุดอยากพนอยู่ดอกเสมอน้ากับเสมอน้าเต็มพุ่มคือกําลังเล่งให้เล่งให้ท่านรักษาทิ้ภพวนาอยู่ดอกยืดไต่น้ากับอุปมาพูด เพือพูดถือว่ามีบุญมีบาปซุกเอาเผากิน เ, เจอก้างว่ได้ว่าเพราะยังเหมือนม่อนอนทการอยู่พวกมูเฮ้าม่นก็อยู่ในระวางดอกที่เสมอหนามและกําลังเป็นตูมอผูว่าอาจารย์ผู้คนปฏิบัติเค็งขัดพน้นพนไปแล้วเหมือนดอกบวชที่บานอยู่ในปัจจุบันนี้เองปัจจุบันนี้ผู้พนพ้นก็แล้วก็มีอยู่ ว่าใดนี้นิยมการว่าใดนิยมเวลาอากาลิโกผูก้ใดทำบุญยามใดก็เป็นบุญยามนั่นผู้ใดนับาปย่ำใดก็เป็นบาปย่ำนั้นยามใดยามของคิตดของใจบาปมันกับบาปยุ่ใจบุญมันกับบุญยุ่ใจทำบุญแล้วก็ล่งไปยุ่ใจหันว่าใดไปยุ่ยบนอื่นข้างสมบัติพัดสถานที่ห้าเอาไปฝากไว้ อันนั้นจะชุ่ัดพัฐานภายนออกทำให้มีลายพอโจรศิลก์พอเขาถูกปนพอเขาถิกขี้สารพัดเป้นฝาบข้างไวเหนียกว่าสังหาริมทร์ส่วนอ่สังหาริมาทร์เหลือกสวนให้หน้าค้องเฮ้ากัอยุตตามเดิมสัวิญญาณนะกระซับรับที่มีวิญญาณก็ดีอ่ะวิญญาณกะทระซัพยับที่บุมีวิ ญ, ญาณก็ดีรั์ภายนอกมุนี เปนของโมนเนโนนโจรหาละโนโนิทิโจนเอาไปก็ได้ไฝ่ไม่ก็เป็นพระราชาริบเอาไปได้ท่านเอาไปฝังไว้ในน้ำกระนาคพูดสุวันเตเอาไปกินฝังไว้ในขีดินก็พูดพีปีศาสเอาไว้บุคคลผู้ฝังคุ้มทรัพย์ไว้ในท่านวัดศีลวัดภาวนาวัดเป็นคุ้มทรัพย์ภายใน อนุฆาเม่นี่ติดตามตนไปทั้งในภพนี่และภพหนาในยังยิ่งคือพระนิพพานเดี๋ยวนี้เข้าชองคิวพระนิพพานแล้วสี่หอดศาตร์ได้พบไดก็บวา่าแตว่าผู้ปัญญาไว้กับต้องหอดศาตร์นี่มาคาดีแลนชวงมาคาหักอุปามาคือผู้สามบาลนี่แก้กาแล้วก็ต้องแล่น อ, อกกรวมผู้สามผู้ท่านกล้าอุปามฆะคือมาคาดี ไปกอนโบโลการท่องเที่ยวในวัดตาสงสารเข้าวามีการสงสัยดอกมีตะเกิดแก้เจ็บตายมองเมือออดีตเกิดแก้เจ็บตาย